คำว่าจิตนะเป็นความรูม้เท่านั้นไม่มีเรื่องราวอะไรมากมายนะ่ะที่มีความรู้อยู่โดยเฉพาะจิตก็ไม่มีเรื่องพอจิตก็เพื่อมตัวออก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 ออกไปแล้วเข้าไม่เข้าไม่ถูกเหมือนกับก่อไฟแล้วดับไม่เป็นไปก็ลุกใหญ่จิตชิดออกไปแล้วระงับดับความคิดของตนไม่ได้จึงกลายเป็นเรื่องราวเข้ามาเขาขานตนเองให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาอากาลรโกไม่กำหนดสถานการ เวลามีอยู่เช่นนั้นทุกหัวใจถ้ามีแต่ความรู้เท่านั้นก็ไม่มีเรื่องถ้าเที่ยวก็เหมือนเนม็ดผลไม้ถ้ามีแต่เม็ดของมันเท่านั้นมันก็ไม่มีเรื่องมากไปแต่พอมันแตกเม็ดออกมาเป็นต้นแล้วจะมีใบมีหน้าแก่ลาวค้อยมีเปลือกมีตพีมีแก่น มันมีกิ่นน้อยจลิ่งใหญ่ใบอ่อนใบแก่มีดอกมีผลเต็มไปหมดในต้นไม้ต้นนั้นไม่สามารถที่จะพารณาวินาทอ่านมันได้นานพอมันแตกออกจากเม็ดแล้วเท่านั้นมันขยายตัวไปจนมนอจที่จะนับได้ว่าลากแก่วลากขอยมีเท่าไหร่แผล ออกไปกว้างแคบขนาดไหนรากแก้วมัน ล, ลึกขนาดไหนหเปลือกก็หุ้มตัวกระพี้แก่นลำต้นขยายตัวไปเรื่อยกิ่งก้านตาขาใบอ่อนใบแก่หิ่งน้อยจริงใหญ่ดอกไม่ดอกเก่าผ้นใหม่ผ้เก่าสลับซับซ้อนเต็มไปหมดในต้นไม้ต้นเดียวจนไม่สามารถจะนับได้นะ มีเราเทียกบกับจิตที่ได้กระเพื่อมตัวออกสู่ความคิดตรุงต่างๆขยายตัวไปไม่มีสิ้นสุดเรื่องจะผ่านมานามเพียงไรก็ไปคิดได้หมดแลเอามาดุ่งตัวเองสิ่งที่ไม่เคยผ่านก็คิดไปเดาไปด้นไปสําคัญมันม่นหมายไปเรื่อยๆส่วนทุนวนแล้วตั้งแต่เรื่องยุ่งทั้งนั้นถ้าเราไม่เคยเห็นความยุ่ง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 ออกจากจิตวงเดียวนี้ทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะก่อเรื่องนอกจากจิตเป็นผู้กอ่อการระงับเรื่องจึงต้องระงับที่ต้นเหตุคือจิตเป็นต้นเหตุแล้ว ผ, ผลขึ้นมาในจุดนั้นด้วยจึงต้องระงับที่ตรงนั้นด้วยอุบายวิธีอุบายวิธีนั้นก็ไม่มีใครที่จะสามารถนาํามาใช้ได้ผลเหมือน อุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้ที่ธันเดียก์ัดสววขาตธรรมคือจัดไว้ชอบควรแก่การแก้ไขกิเลสหรือระงับดับกิเลสที่มันเกิดขึ้นจากตนได้ด้วยความถูกต้องแน่นยัง่งเหมาะสมกับการแก้กิเลสนั้ น, น, นทุกประเภทการที่กระทบความทุกข์ความลำบากนั่น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 การระงับดับทุกข์ยิงหมายถึงใจเป็นสาคัญเอาใจเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาเพราะตัวนี้เป็นตัวการถ้าพูดว่าผู้ต้องหาก็คือจิตดวงนี้ผู้ต้องโทษก็ผู้จิตดวงนี้เป็นคนขี้คุกขี้ตารางก็คือจิตดวงนี้นนาานนถูกกับถูกขังอยู่ในวัฏตจตัสงสารพบน้อยพบใหญ่ล้นแล้ตั้งแต่เป็นพบที่รับความทุกข์ความทรมาร วิบากจะว่ายัางไงธวรมวิบากก็คือผลผลที่เกิดขึ้นจากเหตุก็ต้องทําให้ผู้ทํานั้นได้รับความทุกข์ความลบาใ ก, กในภพมรรคภูมิใหญ่สังไส้สังสาสงสรตานั้เที่ยวอยู่่องเที่ยวอยู่อย่า ง, ง, างนั้นพราหาทางออกไม่ได้นี่พระพุธทธเจ้าจึงมาเปิดทางให้รู้ทางออกนี้คือทางออกเรียกว่านิยานิกระทั่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 การไม่ทำเพราะความเห็นสาระสำคัญใงชีวิตของเขาของเหล่านี้ชื่อว่าเป็นการแก้กิเลสประเภทที่เห็นแก่ตัวในลักษณะดังที่กล่ามานี้ออกได้นะทีนาเพิ่งเทียบลักษณะเดียวกันการเมมูสาสุราด่วนแน้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสเรื่องผูกมัดจิตใจของ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 ไม่ใช่สั่งสอนอย่างเป่าวปลาสั่งสอนมันมีเหตุมีผลพระองค์ทรงทราบหมดว่ากิเลสมันแรกซ้อนอยู่ในอไอบ้างนี่ทรงแก้ไขวิธีสอนงัดแงไปหมดให้ถึงตัวของกิเลสจริงๆซึ่งมีอยู่ภ า, ายในจิตใจของสารโลกและสแสดงออกโดยอาการดังที่กล่าวมานี้อาการห้าอย่างถ้าพูดถึงดังศีลก็อาการห้านภาณาอธินาการเมมุสาจุระนี่ นี่เป็นแต่ละประเภทประเภทแห่งกิเลสและศีลเหล่า น, นี้ก็คือธรรมนั่นเองแก้กิเลสประเภทนี้การทำลงไปนั้นเป็นเรื่องอยากการคิดไม่ทําหรือการงดเว้นอยู่ภายในใ จ, จิตใจนี้เป็นเรื่องธรรมเป็นเรื่องแก้กิเลสอยู่ภายในตัวเองนี่มีความหมายทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้อย่างใดต้องมีความหมายเต็มเต็มตัวทีเดียวเราทั้งหลายมีความรักชอบ ให้ศีลในธรรมดังที่กล่าวมานี้ชื่อว่าเป็นผู้รักธรรในการแก้กิเลสอันเป็นค่าสิทธต่อธรรมดังที่กล่าวมานี้นี่คําว่าภาวนายังเป็นความละเอียดของจิตเข้าไปแล้วความละเอียดของกิเลสเข้าไปเป็นชั้นๆท่านจึงสอนที่นี่จะล้วงเข้าไปหาตัวจิตรู้เรื่องของจิต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 ท่นเรียกว่าจิตสงบเนี่ยลงไปแล้วจิตเป็นสมาธิคําว่าสมาธินั่นคือเป็นฐานอันหนึ่งสําคัญของจิตเมื่อจิตมีความสงบทุกก็ต้องสงบเปียนไปเพราะทุกเกิดขึ้นจากความไม่สงบจิตแสดงความไม่สงบก็คือจิตก่อทุกข์เมื่อจิตปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาก็คือความสงบทุกข์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 ขณะที่จิตมีความสงบตัวนั้นย่อมไม่คิดถึงการเวลาเวลาสถานที่ที่ใดๆทั้งหมดเรื่องเลืงบันเทิงอยู่กับความสงบอันเป็นจุขอยู่ด้วยกันนั้นโดยถ่ายเดียวนั่งอยู่ก็เพลินเพลินอยู่ในความสงบสขีดข้มปิดแต่ยืนอยู่ก็เพลิน นี่คือผลที่เกิดขึ้นจากความสงบพ้องใจไม่ก่อควนตัวเองความคิดความปรุงระงับเข้ามาการกระทำมีความอดหมุนกันไปโดยลำดับมีความสืบต่อเนื่องกันเป็นลาดับผลย่อมมีความสืบเนื่องกันไปเป็นลำดับเช่นเดียวกันจนกลายเป็นจิตที่อ่อนโยน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 ถูกพันกับอะไรบ้างท่านจึงสอนให้ใช้ปัญญาพิจารณาโดยยกธาตุขันธ์ของเรานี้ขึ้นเป็นอันดับแรกพิจารณาคลี่คลายดูตลอดถึงสิ่งภายนอกมือสัตวบริวารสมบั ต, ติต่างๆคิดไปเอามาเทียบเคียมว่าจิตมีความหนักเบาในสิ่งใดในแง่ใดในบุคคลผู้ใดในสมบัติอันใด บ้างแล้วนำสิ่งนั้นๆเข้ามาคลี่คลายดูให้เห็นตามความจริงของมันเพื่อกิจเพื่อกิต จ, จะได้ถอยตัวเข้ามาต่อความกังวลหรือความผูกพันอันนั้นซึ่งเป็นตัวอุปท า, านยึดมั่นถือมั่นแล้วทำความกด่วงปิดใจให้เป็นทุกข์ให้ถอยตัวเข้ามาสู่ความเป็นตัวของตัวคือจิต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 มีจะทธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเต็มเนื้อเต็มตัวของเราตั้งแต่วันเกิดมาจนทั้งบัดนี้แล้วยังจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปจนกระทั่งถึงวันอวสานคือวันสลายตัวแห่งส่วนประชุมเหล่านี้แห่งธาตุทั้งหลายเนี่ยถ้าปัญญาได้อย่างลงไปให้ถึงเหตุถึงผลถึงความจริงซึ้งถึงจิตถึงใจแล้วไม่ต้องบอกมันปล่อยข้างมันเองสลัดลงไปสลัดลงไปปล่อยลงไปใน่วนด่าคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟีอ่า นีอันหนึ่งเป็นสิ่งที่ปิดบังความจริงหรือว่าความสําคัญมั้นหนักเรามันปิดบงังตัวเราก็ถูกมันปิดบังเพราะอะไรเพราะท่าเพราะขานานันอันนี้จริงต้องเอาา่ขาขันนี้มาแจงดูพี่คลายดูให้เห็นชัดเจนแล้วก็มาเห็นตัวผูดจอมปลอมไปเที่ยวยิบนั่นตักปันมั่นหมายเอาสิ น, นั้นเป็นเราสิ่ง น, นี้เป็นของเราขอความยุ่งยากให้แก่ตนขนทุกมาหนักเท่าไหร่ก็จนกระทั่งไปไม่ได้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 ไม่มีทางสงสัยดูภายนอกก็เช่นเดียวกับภายในดูภายในก็เช่นเดียวกับภายนอกมันเป็นเช่นเดียวกันนี่ก็จัดว่าเป็นโลกวิถุนคือรู้แจ้งเห็นจริงโลกทั้งโลกนอกรลกภายในเป็นสภาพเหมือนกันมีทั้งนั้นนะนี่โลกวิถุนเป็นคุณสมบัติของพุทธบริษัททั้งหลายได้ไม่ใช่จะเป็นโลกวิถุนเฉพาะพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวและยังมีอะไรเป็นตัวการสําคัญ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 ทั่วขณะขณะที่สิ่งนั้นมาสัมผัสนั้นท่านเรียกวิญญาณวิญญาณในกันท่าจึงกับปฏิจจุติวิญญาณจรงผิดกันวิญญาณในกันท่าปรากฏขึ้นในขณะที่มีสิ่งมาสัมผัสปฏิจนุติวิญญาณนี่หมายถึงตัวจิตต้นรู้วันที่เข้าสู่ปฏิจจุิที่ก่อกำเนิดเกิดที่นั่นที่นี่หมายถึงจิตอืกล่าวในสถานที่นี้ในเวลานี้หมายถึงวิญญาณในกันท่าแล้วนี้ก็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 มันเหลือแต่ลากแก้วพอถึงลากแก้วแล้วก็ถอนอลากแก้วคืออะไรคือตัวจิตที่เรียกตัวสำคัญอยู่ในนั้นหมดผู้ปฏิบัติจึงมักจะหลงที่ตรงนี้าไม่มีผู้แนะเลยจะต้องมาติดที่ตรงนี้ถือสิ่งนี้มาเป็นต้นว่าอะไรอะไรก็ละหมดแล้ว รู้หมดแล้วรู้แล้วยกเราขึ้นมาเรารู้หมดแต่เราหาได้รู้เราไม่นี่คือเราหลงเรารู้สิ่งภายนอกแต่มาหลงตัวเองสิ่งภายนอกในสถานเทนีไม่ต้องพูดถึงเรื่องสิ่งภายนอกที่นอกจากตัวหมายถึงรูปเวทนาสัญญาสังขงารจินยานนี้นี่แหละรู้สิ่งเหล่านี้แล้วยังไงไม่ไม่ไมไมไมรู้ตัวจริงคือจิตจิตเลยย ก, ยกตัวขึ้นมารู้สิ่งทั้งหลายแต่ทั้งทั้งที่ตัวกําลังหลงอยู่ในตัวเองท่านจึง ใช้ปัญญาคลี่คลายลึกขยี้ขยำเข้าไปที่ตรงนั้นอีกอเพื่อความรอบตัวไม่ให้มีอะไรซุ้มซ่อนอู่เลยขึ้นชื่อว่ายาพิษคือกิเลสประเภทต่างๆแม้จะละเอียดเพียงไรคืออวิชชาเป็นต้นก็ให้กระจายไปด้วยอำนาจแห่งปัญญาคลี่คายจนกระทั่งกระจายไปจริงๆนึกสั้นลายลงไปจริงๆด้วยอำนาจของปัญญาออนแหลมขม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 ใจจึงเป็นใจที่เบริสุดร้นล้วนนั่นแีละคือบอ่อแห่งความสุขเมื่อกำจัดความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ออกจากใจหมดสิ้นไปแล้วใจจึงกลายเป็นใจที่เบริสุดขึ้นมาเนี่ยนิยานิธรรมพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกมาตั้งแต่พื้นพื้ น, นดังที่กล่าวมาในตอนต้น จนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายนี้เป็ น, นยาณิกรรมโดยสมบูรณ์นัตั์ผู้ข้องพูนง่ายหรือนำกิจผู้ข้องให้พ้นจากความข้องนั้นโดยประการทั้งปวงกลายเป็นโลกวิถีรู้แจ้งเห็นจริงในธาตุในขันทั้งภายนอกภายในแล้วก็หมดปัญหากันเพียเท่านั้น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 โลกทั้งหลายมีคู่มีคู่ธรรมชาตินี่ไม่มีคู่อันเดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้าสมพระนามว่าเป็นโลกวิถีเป็นาศาสตราเอกของโลกทรงรู้วิธีแก้ไข มาโดยลําดับนัลำนับแล้วนํามาสั่งสอนโลกให้พวกเราทั้งหลายน่าจะเกิดจุดท้าภายหลังตามความสมมตินิยมก็ตามแต่เราก็ได้รับพระอุวาคําสั่งสอนคือาศาสนธรรมจากพระองค์ท่านมาปฏิบัติตนเองไม่เสียชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทันกับพระพุทธเจ้าคือทำคําสั่งสอนของท่านด้มาเป็นเครื่องประดับกายประดับใจของเรา ขอให้มีความภาคภูมิในวาสนาของเราที่จะสมอัดสมธรรมปฏิบัติตามพระองค์ท่านท่านสมชื่อว่าเป็นุทธตระโดยสัโดยสมบูรณ์จึงขอยุติเพียงเท่านี้